ความเจริญในธรรมจุมีเดท่านผู้ฟังท่าไหลายใต่ร่มพระโพธิญาณกำลังนำเสนอปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่เป็นปัจจัยอาศัยกันและการเกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณากลับไปกลับมาหลังจากได้ศัตรูอนุตตรสมาสมโพธยญญว่ากันตามความจริงก่อนหน้านั้น ก่อนที่จะสัตรู้ก็เคยยกขึ้นมาพิจารณาแล้วครั้งหนึ่งแต่ในคราวนั้นก็ยังไม่สามารถจะดับตัววิชาซึ่งเป็นตัววหน้ามันได้การพิจารณาครั้งนี้ก็มีลักษณะพิจารณาทบทวนถึงกระบวนการของสิ่งเหี่านั้นเกรไดน ว, ว่าในกระบวนการนั้นส่งเข้าถึงอย่างสมบูรณ์ แล้วตอนดับก็ดับไปได้อย่างสมบูรณ์ก็อยู่ในแวดวงชีวิตของคนเราแต่ละคนแล้วก็ที่จริงก็ทุกวันแต่ถ้าเราดูให้ดีแล้วเราก็เกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปาทอยู่ทุกวันวันก่อนได้พูดถึงอวิชชาที่ท่านทรงแสดงว่าอาวิชชาอัตวัฏทุกา คือดูแคอาญานังดูกะสมุดไยอาญานังคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุกข์ไม่รู้ความรับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความรับทุกข์คือในสี่ข้อเนี้เพึงสังเกตว่าเมื่อเป็นตัวหลักแต่ว่าแปดข้อหลังที่จริงก็ไปเกี่ยวข้องอยู่กับอริยสัจนั่นเองแต่ว่าเรื่องไม่รู้เรื่องอดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทางอดีตอนาคตไม่รู้กฎแห่งปัจจัยาการ แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏในการทั้งสามนั้นโดยเนื้อหาสาระมันก็ไม่อื่นไปจากปฏิจจสุปาทหรืออริยสัจสี 4. แล้วพอถึงปฏิจจสุปาทที่เราสัจสี 4. นั่นเองกระบนกอรได้นำเสนอท่านผู้ฟังในแง่ของสังคมแล้วก็ในแง่ของธรรมชาติหรือจนว่าในความเป็นอริยสัจเนี่ย ทุกข์กษัตริย์นั้นก็เป็นปรากฏการณ์ตั้งหลายของธรรมชาติที่หยุดตกอยู่ในกฎของพระไัยลักษณ์กล่าวโดยสรุปก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาในแง่ของความจริงแล้วก็ไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นตังตัวตนของเราแต่เพราะเรา รู้เขาไม่ชัดเรียังมีวิชาอยู่เราก็มีปัญหาอยู่กับธรรมชาติกับสังคมตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในส่วนชีวิตเราคือลองสังเกตว่าเราจะมีปัญหาในด้านจิตปัญญาในด้านอารมณ์ในด้านสังคมตัวปัญหาใหญ่ก็อยู่ที่จิตปัญญา ทีนี้ถ้าเรามองที่จิตวิญญาณก็จะมีความชัดเจนว่ามันสืบเนื่องมาจากความไม่รู้จะเกิดอาการกิเลสออกไปด้วยประเภ ท, เทต่างๆต้องการได้ในสิ่งที่ตัวอยากได้พอไม่ได้ก็เกิดปัญหาพอได้อีกก็เกิดปัญหาอีกแล้วพอสิ่งเหล่านั้นที่เราครอบครองเป็นเจ้าข้าเจ้าฟองเปลี่ยนแปลงไปเราก็ประสบความทุกข์อีก ก็มุนมุนอยู่ในเรื่องเหล่านี้เพราะในพวกของกลุ่มอวิชาทั้งหมดเราสังเกตว่าคนที่จะรู้ได้เนี่ยที่จริงเมื่อก็เริ่มรู้มาโดยลาดับแต่สรุปแล้วก็ที่ศึกษากันโดยทั่วไปเนี่ยเป็นการรู้ระดับเขาเรียกว่ายาตะปริญญารู้ด้วยการเรียนรู้ ยาที่กำมังอาธาิบายอยู่นี้ที่จริงก็เป็นยาตัดปัญญ า, ารู้โดยการเรียนรู้ทําความเข้าใจรู้ลักษณะรู้หน้าที่รู้กิจรู้สิ่งที่ตัวกระตุ้นให้เกิดแต่สิ่งเหล่านั้นก็สามารถจะอธิบายชี้แจงได้โดยพิสดารแต่ก็จริงแล้วจิตใจก็ยังคล่องแววกยังแปรผันไปได้แรงของความเปลี่ยนแปลงแห่งธรรมชาติเหล่านั้น ก็แสดงว่ายัางรู้ไม่จริงอยู่คือในส่วนของสังคมก็เป็นชิ้นเดียวกันถ้าลองสังเกตว่าแม้แต่สังคมเราเนี่ยเรารู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอายุหกสิบกว่าแล้วแลวเราเคยได้ยินปนัญหาเหล่านี้ตั้งแต่เราเป็นเด็กๆอยู่บ้านนอกเลยซ้ำไปแสดงว่าคนบ้านนอกเขาก็พูดกันตรงกับที่คนปัจจุบันก็พูดกัน ปัญหาเรื่องความไม่รู้ปัญหาเรื่องความยากไร้ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บปัญหาขาการวางแผนครอบครัวเนี่ยก็ไม่รู้่เกิดมาแล้วก็ได้ยินเกิดมาฟังอะไรรู้เรื่องก็ได้ยินเรื่องเหล่านี้แนะแล้วพอเราไปศึกษาเอกสารต่างๆเอาก่อนพุทธกาลนะฮะเรื่องขนาดชาดกเนี่ก่อนพุทธกาลแนะ่ะ ปัญหาเรื่องความไม่รู้ปัญหาความยากล่ายปัญหารูปไข่ไข้เจ็บปัญหาขาดการวางแผนครอบครัว ก, ก็มีอยู่อย่างนั้นน่พแสดงว่าไม่ใช่ไม่รู้แต่รู้ไม่จริงคือในด้านการศึกษาเรียนรู้การ น, นำมาอธิบายขยายข้อความต่างๆล้วก็ทำได้แต่ว่าทำลายตัวเหตุมันไม่ได้เหตุของปัญหาเหล่านี้ลองสังเกตว่าจริงๆมันก็คือไม่รู้คาเดียว ปัญหาเรื่องความไม่รู้เป็นปัญหาภูเขาที่สุดเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีอะไรสลับซับซ้อนสำหรับคนรู้แต่แม้เรื่องนิดเดียวเนี่ยฮะสำหรับคนไม่รู้มันก็สลับซับซ้อนน่เพราะหลักการปฏิบัติในทางศาสนาจึงมุ่งที่จะให้เกิดความรู้โดยการลดละอวิชาให้จะเอาลงไป เพราะในแนวธรรมะในภาคสนามซึ่งว่าที่จริงก็ต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องธรรมาชาติกับสังคมนั่นเองเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ใช้ความเชื่อไปก่อนแล้วบางครั้งเนี่ยในเรื่องที่เราเชื่อเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องจริงหรือไม่จริงเรามองดูตัวอย่างว่าปัญหาเรื่องนิเวศสิการเป็นมลพิษต่าง ทำลายแหล่งต้นน้ำลำธารทำลายสัตว์เล็กๆต่างๆออกไปเป็นจำนวนมากตลอดถึงน้ำท่าก็มีสีเทคนิคไปมากมายแก่กองเนี่ยคือถ้าเรามองเราตั้งปัญหาถามว่าพระแม่คงคานี่มีจริงไหมแม่โทรณีมีจริงไหมแม่ประโพโมโพศมีจริงไหมเจ้าป่าเจ้าเขามีจริงไหมรานคงเทียงกันตายเจะมีคนให้เถียงได้ตลอด แต่ถ้าเรามองในแง่ว่าเราเชื่อว่ามีกับเราเชื่อว่าไม่มีเนี่ยอะไรจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าเราเชื่อว่ามีเรานับถือในฐานะเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สามารถให้กุศให้โทษแก่เราได้เราก็จะเกิดความยำเกรงต่อแม่พระองค์ค่ะมีการระมัดระวังไม่กระทําอะไรให้สุกโปกระเบิดลงไปในแม่น้ําแม่น้ําก็ไม่มีมลพิษสัตว์ทั้งหลายก็จะเจริญเติบโต ขยายพันธุ์ออกไปแพร่หลายกว้างขวางแก้ปัญหาทั้งนิเวศแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแก้ปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาสังคมถ้าเราเชื่อเรื่องความมีอยู่ของเจ้าป่าเจ้าเขามีไม่มีช่างเขาแต่เราเชื่อเราก็เคารพจำเกรงเราก็ศรัทธาเราก็ปรารถนาการพิทักษ์รักษาจากท่านมันก็มีความชัดเจนนะฮะว่าป่ายัง อก็อ เ, เรียกว่าอะไรล่ะดินเย็นพระยาบางยายังยาหยางปริเย็นเสือหยางเพราะป่าบกป่ารกเพราะเสือหยางดินเย็นพระยาบางยายังยาหยางระดินเย็นเ้าก็กลายเป็นขุดธรรมชาติก็อิงอาศัยซึ่งกันและกันสภาพนิเวศ ท, ทั้งหลายก็ไม่มีปัญหาเราเชื่อเรื่องความมีอยู่ของแม่ประโพสุตัวให้ความเคารพจำเกรงต่อแม่ประโพสุมีจริงไม่มีไม่สาคัญอะไรแต่เราเชื่ออย่างนั้นนะ ก็จะมีการระมัดระวังในการบริโภคใช้สอยในการกินอาหารไม่กินทิ้งกินขว้างมีความเคารพในแม่ประโพธิศพไม่กินหกเรี่ยไรยต่างๆเนี่ยเราลองนึกดูว่าสิ่งที่มันสูญหายไปเนี่ยมันจะกลับคื้นมาถ้าอะไร่จะเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราพยายามจะไปพิสูจน์ในสิ่งที่เราไม่มีศักยภาพจะพิสูจน์ เพราะความมีอยู่ของเทพเจ้าเหล่านั้นของเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็ท่านก็บอกไว้ชัดเจนนะะท่านมีอยู่แต่สามารถเราจะติดต่อกับท่านได้ก็ต่อเมื่อท่านมีพระท่านมีประสงค์จะติดต่อกับเราโดยความไม่พอใจและโดยความไม่ตากโรณาหรือเรามีทิฏฐิจักสุขแล้วก็ติดต่อกับท่านได้เพราะปิดท่านได้จนถึงสนธนากับท่านได้ แต่เราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่พัฒนาคุณภาพจิตใจเราเข้าไปเพื่อเรียนรู้จากท่านเรียนรู้หรือวพิสูจน์ทดสอบว่าท่านมีอยู่หรือไม่แต่ไปใช้ความรู้สึกว่าไม่มีเนี่ยทำลายความเคารพยำเกรงทำลายความสำนึกคุณต่อธรรมชาติแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมเราใช้กระตันอยูกระตวเวทีก็ใช้ไม่ได้ ใช้ศรัทธาก็ใช้ไม่ได้ใช้ความกลัวก็ใช้ไม่ได้แต่ผลรุ่งท่าก็ล้างผ่านธรรมชาติกันสนุกมือไปเลยปัญหาความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติมีความรุนแรงภัยธรรมชาติปรากฏรุนแรงถ้าลองสังเกตว่ารุนแรงเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ต้องรออะไรนานก็ได้แต่เมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นมาเพิ่มทีกระชั้นอยู่ไปบ่อยๆเนี่ยมันก็ทบกระเทือนแต่ละทีเนี่ย สมมติวันก่าเกิดหนาวขึ้นทางยุโรปอเมริกาแคนาดาเนี่ยมันก็ต้องสิ้นเปลืองน้ำมันมหาศาลเพื่อใช้ในฤดูหนาวใช้ฮิตเตอร์ใช้อะไรต่ายสารพัดพอดูร้อนขึ้นมาไอ้พวกเมืองที่ร้อนก็ใช้น้ำมันกันมหาศาลอีกเพื่อติดแอร์ติดพัดลมติดอะไรต่างๆก็มากมายไกล่กล่ น้ำ เ, เกิดมาจากอะไรเกิดจากเราไม่รู้จักธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติแต่เราไม่รู้จักธรรมชาติตามความเป็นจริงแล้วก็ขาดความสำนึกคุณของธรรมชาติเพราะหลักการสมัยโบราณเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจมันจริงหรือไม่จริงแต่ว่าการเชื่อเอาไว้เนี่ยมันได้ประโยชน์มากกว่าไม่เชื่อจะไจะยกตัวอย่างเรื่องนรกสวรร์เรื่องชาตินี้ชาติหน้าเนี่ย ถ้ไม่สมัครใจจะเชื่อพระสัพพัญญุตญาณก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะทีนี้เอาแหละสมมติว่าใครไม่สมัครใจจะเชื่อเนี่ยแต่ก็พยายามทําความดีมันก็ไม่มีอะไรขัดตุนนะะคือถ้าผลบุญผลบาปมีนรกสวรรค์มีเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันตายแล้วไปวังเกิดในสวรรค์ด้วยถ้าผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มี เราทำความดีเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันตายไปแล้วในะรลกสวรรค์ไม่มีก็แล้ไปเพราะในการทำความดีมันไม่ได้ขาดทุนอะไรมันมีแต่ดีก็ดีนะฮะดังนั้นเรื่องบางเรื่องท่านถึงสอนเรื่องความเชื่อเห็นไหมในกระบวนการของปัจจัยาการเนี่ยปฏิจจสมุปาทเนี่ยเรื่องบางเรื่องเราก็ใช้เชื่อบางเรื่องเราใช้ปัญญาแต่ปัญญาจะต้องทุ่มเทมาก ความเชื่อเนี่ยมันอาศัยประสบการณ์ของคนอื่นไหนใกล้ายๆกันเราจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเราไปกับผู้ใหญ่เนี่ยไปกับคนที่เขาเคยไปเนี่ยมันจะง่ายกว่าที่จะศึกษาค้นคว้าแล้วก็หาทางไปเองแต่ถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องศึกษาเราต้องค้นคว้าเราก็ต้องหาอนถังไปเองอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันก็ทวนจะมีหลักความเชื่อเอาไว้ ในปฏิจจสมุปาทเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องมากับอวิชชามาความอริยสัจเนี่ยหรืออดีตอนาคตปัจจุบันทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งกฎดปฏิจจสมุปาทเขามีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเขาเขามีตามสมควรแก่สถานะของเขาเพียงแต่ว่าทำยังไงให้ เรามีความรู้ความเข้าใจเขาเท่านั้นเองคือเขานั้นเขามีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้จักเขาอย่างที่เราพูดกันในธรรมนองที่ว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นนา้าไส้เดือนไม่เห็นดินคือหมายความว่าสิ่งเหล่านั้น ก, ก็มีอยู่โดยธรรมชาติเขานั่นแหละแต่ประสาทเหล่านั้นก็อยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่กลับไม่รู้จักสิ่งเหล่านัน้นปัญหาใหญ่จึงมาอยู่ที่ตัวอวิชชา ถึงเป็ดบางเหตุผลสติปัญญาตลอดถึงนําคนไปสู่สังสารทุกข์ด้วยประการต่างๆก็เริ่มต้นมาจากอาวิชชานั่นเองอวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารทีนี้คําว่าสังขารเนี่ยมันมีความหมาย ห, หลายนัยยะด้วยกันโดยทั่วๆไปยกเว้นนิพพานเป็นสังขารทั้งนั้นพูดง่ายๆเลยนะฮะคือยกยกเว้นนิพพานนั่งนั้นเป็นสังขารทั้งหมด ก็ทำให้เข้าใจง่ายอะไรก็ตามยิปับมามันก็เป็นสังขารหมดสังขาแรแปลว่าของที่ะสมคือไม่มีอยู่โดยลำพังไม่มีหน่วยเดียวแต่ว่าแต่ละส่วนนั้นก็เป็นการผบสมกันของสิ่งทั้งหลายแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยก็ใช้ทั้งแก่สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเราก็เรียกรวมๆ ว, ว่าสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครอง พอมากลายเป็นทรัพย์เราก็เรียกว่าสังหาริมทรัพย์ปสาหาริมทราพย์กเคลื่อนที่ได้และเครื่องที่ไม่ได้แต่วันในตรงนี้มันเป็นการพูดถึงสังขารที่เป็นนามธรรมไม่ใช่พูดในส่วนที่เป็นรูปธรรมก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าบุญคือกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นเราคิดเราทำเราพูดออกไปตามนั้นก็ชื่อว่าเป็นกุศลหลังจะทำพูดไปแล้วเนี่ยหลังจะทาพูดคิดไปแล้วก็ เป็นคุณภาพของจิตก็เรียกว่ามีบุญมีบุญอยู่ภายในจิตมีความดีอยู่ภายในจิตบาปก็เป็นเช่นเดียวกันแต่บาปนั้นถ้าเรียกว่าปุญญาอภิสังขารอภิสังขารอภิสังขารคือบาปก็หมายถึงเจตนาที่ประกอบด้วยความโลภโกรธหลงซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตแล้วก็คิดก็ตามทําก็ตามพูดออกตาพูดก็ตามออกไปตามความคิดในขณะนั้นก็ถือว่าเป็นบาป แล้วก็เป็นสถานภาพของจิตน่ะเราจะเรียกว่าคุณภาพก็ไม่ได้แต่คุณภาพก็ได้นะคุณภาพมันต่ําโดยจิตไม่มีคุณภาพตำ่ำคือจิตจะไม่มีบุญเลยเป็นไปไม่ได้อ่ะย่างแต่ว่าบาปมันมากกว่าบุญหรือบุญมากกว่าบาปกันนั้นเองแล้วก็ระดับหนึ่งเขาเรียกอนเนินชาพิสังขารนะพิสังขารคื อ, อนเนินชาได้แก่สภาพจิตที่ผ่านกระบวนการศึกษาปฏิบัติ มาตำหลักของสมถกรรมฐานจนบรรลุอรูปฌานจิตใจจะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบท่านก็เรียกสภาพจิตเหล่านี้ว่าเป็นอนเนนชาคือแปลว่าความไม่หวั่นไหวแต่ว่าท่านผู้ศึกษาอาจจะพบคือสังขารที่อธิบายโดยในยะนี้เป็นอัตการอธิบายตามแนวของอริยมรรต์และไม่ใช่ตามแนวของวิสุทธิมรรตแต่ว่าแนวที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ย เป็นการพูดถึงสังขารสามอีอย่างหนึ่งซึ่งทาหน้าที่ปรุงแต่งปลนปลือหล่อเลี้ยงบำรุงรักษานั้นก็คือกายสังขารสิ่งสิ่งที่ปลนปลือหล่อเลี้ยงร่างกายก็ได้แก่ลงหายใจเข้าออกแต่ก็ไปจีสังขารได้แก่ความวิตกวิจาร์คือเราเ็นว่าเราจะคิดก่อนพูด จะพูดอะไรก็ตามมีวิตรกวิจาร์คือการเดี๋ยวนึกสึกนึกมาก่อนที่จะพูดออกไปแล้วก็จิตสังขารก็คือสัญญาความจำกับเวทนาคือการสวยอารมณ์เป็นสุกตามเป็นต ก, กตามแต่ถ้าเรามอง้วงความต่อเนื่องมันก็ต่อเนื่องกันนะนะพวกเหล่านี้พวกสัญญาพวกเวทนาก็คือจำพวกบุญพวกบาปพวกอนเนชานั่นเอง แล้วในขณะเดียวกันมัน ก, ก็บุญบาป ท, ที่กลายเป็นลมหายใจก็ดีกลายเป็นวิตกวิจาร์ก็ดีนะฮะกลายเป็นสัญญาเวทนาก็ดีมันก็สืบเนื่องมาจากบุญบาปตอนการพูดในเชิงตรงนี้ก็พูดในระดับที่เรียกว่าจะนำไปสู่การเกิดในกําเนิดต่างๆพูดถึงโคงล้อของสังสารวัฏ มีลักษณะหมุนวนกันไปเปลวิชากับสังขารมาผนวกกันมารวมกันมันก็สร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่าวิญญาณทีนี้วิญญาณก็อีกเป็นภาษาที่ค่อนข้างแปลกคือว่าคนจะเข้าใจในสับสนรู้จะมากที่สุดนะเรื่องวิญญาณเนี่ยไปคล้าเราพูดกันคนศาสนาเลยบางทีเนี่ โดยเฉพาะที่เด็กถามเนี่ยวิญญาณในความหมายโดยทั่วไปก็เขาเข้าใจเป็นรูปแค่คนตายไปแล้วแล้วก็มาติดต่อมาสื่อสารมาพบหาเราได้ก็เรียกสิ่งนั้นว่าวิญญาณแต่ในาศาสนานั้นถือว่าคนเราเกิดแต่ตายปั๊บก็เกิดปุ๊บนะฮะก็เรียกว่าจุติก็คือปฏิสนธิเลยจุติก็คือตายไปสนธิก็คือเกิดบางทีท่านเรียกว่าอุบัติคือจุติปั๊บก็อุบัติเลย หรือปฏิสนธิในกำเนิดอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสปกปรกเกิดโดยผุดขึ้นก็แล้วแต่แต่จะเกิดในทันทีทันใดเพราะในบางกรณีที่มีการพบผู้มนุษย์ทั้งหลายพวกเขาเรียกอาทิตย์สมานกายเกิดตามปกติแล้วกายจะไม่ปรากฏแก่ตาตาเนื้อของมนุษ ย, นย์หรือถ้าปรากฏจริง คันก็เป็น ม, มนุษย์ประเภทเทวดาเบื้องต่ำประเภทปีศาจประเภทอสุรกายประเภทเปรตบางชนิดนะนะครับเราก็สามารถจะพบได้แต่ตรงนั้นไม่ใช่วิญญาณแหละมันเป็นชีวิตอีกมิติหนึ่งเป็นชีวิตที่มีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่พวกนี้ก็มีขันห้าอะไรอย่าเพราะก็เช่นเดียวกับเราแต่ว่ากายเขาอาจจะละเอียดกว่าแต่นั้นเอง วันวิญญาณในความหมายตรงนี้ท่านจึงเน้นไปที่วิญญัที่เรียกว่าปฏิสนธิบิญญาณคือวิญญาณที่จะไปเกิดที่เป็นผลรวมที่จริงไม่ใช่ไปวิญญาณล้วนๆนะฮะ ญ, ญาณมันก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยอวิชากระสังขารทีนี้ความเป็นอวิชาก็ไม่ใช่อวิชาร้อยเปอร์เซน์หรอกแต่ว่าราบใดที่ยัง อ, ว, อวิชายัางถูกทำลายไม่หมดเองกายัเายางเรียกว่ า, าวิชาอ ย, ยู่มันก็ทํานองคล้ายๆกันดินเนี่ยธาตุดินเช่นว่าผมขนเล็บฟันด่างเนี่ยมันก็เราเรียกว่าเป็นธาตุดินแต่ถ้าเราออกมาย่อยดูมันก็มีเครอบกันดินน้ําลมไฟนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาการที่เด่นมันเป็นดินเราก็เรียกว่าประธาติ น, นั่นเองดังนั้นตรงนี้บางครั้งจึงพบว่าเรียกว่าปฏิสนธิปิญญาณเรียกว่าคันทภู กัทรทโพอนั้นไปนขับไม่ค่อยคุ้นนะก็เท่าที่พบเนี่ยก็เคยพบในมหาตนาสังกัญญสูตรแห่งเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงชีวกําเนิดว่ามารดาบิดาร่วมกันมารดามีระดูนะมารดามีระดูมารดาบิดาร่วมกั น, น, กนแล้วกันทโปอปฏติโตก็มีกลุ่มเนี่ยกลุ่มอวิชาสังขารวิญญาณนะมาถือเป็สนสุติ เพราะในความเป็นอวิชชามันก็มีวิชาอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็มีกุศลอยู่ด้วยเยอะแยะเพราะว่าการไปถือประฏิสิทธิ์ในกําเนิดต่างๆนี่แรงส่งไม่เป็นบุญเป็นบาปแล้วก็ตัวสร้างสถานที่เกิดตัวสร้างรูปร่างหน้าตาตัวสร้างแนวโน้มอัตยาสายรายตาร์อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องบุญเรื่องบาปเราเรียกเรียกลง ร, รวมว่าเป็นกรรม วิญญาณบางอย่างเป็นการหมายถึงวิญญาณธาตุซึ่งมีอยู่ภายในใจเราบางทีก็หมายถึงตัววิญญาณนักขันในพระไตรปิฎกส่วนใหญ่จะอธิบายในรูปวิญญาณนักขัแต่ต้องเข้าใจนะวิญญาณนักขัมันก็สืบเนื่องมาจากปฏิสนธิวิญญาณหมายความว่าจะต้องมีปฏิสนธิวิญญาณมาก่อนวิญญาณนักขันยิ่งจะเกิดขึ้นเมื่ออายตนะมันครบเจก่อนแล้วก็ได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิมรส ถ, ถูกต้องเย็นร้อนหนแข็งไปก่อนตัววิญญาณนักขันนี่จะเกิดขึ้น หรือบางทีก็เรียกว่าวิธีวิญญาณนะครับตัวนี้เป็นกระบวนการเกิดซึ่งเราจะเห็นว่าพอเกิดแล้วมันก็กลายเป็นนามกับรูปนามก็กล่าวโดยสรุปนะคือสิ่งที่เรารู้ได้ใจรูปก็คือสิ่งที่เราสัมผัสได้โดยตาหูจมูกริ้นกายมันก็ไปไหนไม่รอดนะฮะโลกเราเป็นโลกสัมผัสพูดไปพูดมาก็อย่างเงี้ยอายตนะมันก็มีหกอย่างเท่านั้นเอง นี่ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทในสายเกิดแต่ว่าเป็นการพูดมาจากหัวเลยแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาทรงพิจารณาจากปลายพิจารณาจากชาติแต่ว่าก็เป็นเช่นเดียวกันคือต้องการจะนำเสนอไปตามลำดับลาดับหัวเพื่อจะให้เห็นว่ามาเริ่มต้นมาจากตัวนี้ทั้ไหลมาจากตัวนี้ที่จึงสาวจากปลายก็ได้คือกัน ปัญหาสําคัญที่เราควรนำความเข้าใจก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกเวลาเนี้ยที่จริงเราไปอธิบายไปตีกันอยู่กลางอากาศนี่เยอะเลยเพราะว่าต่างคนต่างก็ไปอธิบายเอาเองคือไม่ได้เทียบเคียงไหนว่าในหลักฐานพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาเนี่ยท่านเรียกว่าอย่างไงเราันจึงต้องนําหลักตัวศัพท์ศัพท์เทคนิคต่างๆเนี่ยเข้ามาอธิบายไปด้วย ต้องฟังทั้งหลายแต่รมประพฤติญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นธทรานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง อ, อกงามไปบุญในธรรมยมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี